เสรงพรท่านสาธเตนิขชนผู้ฝ่บุญฝ่ายกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สองธันวาคมพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มาวัดเพื่อมาประกอบการการกระทธรรมที่ไม่เกิดโทษการกระทธรรมที่เกิดคุณเกิดประโยชน์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 ถ้าเหลีกเลี่ยงได้ก็จะไม่มีโทษตามมาเมื่อไม่มีโทษก็ย่อมมีความสุขอยางนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนทำสิ่งที่ไม่เกิดโทษตามมาไม่ว่าจะทำอะไรก็าตามจะทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆก็ต้องอยู่ในกรอบของ การไม่เกิดโทษเพราะถ้าทำไปแล้วเกิดโทษก็จะได้ไม่คุ้มเสียเช่นเราทำมาหากินด้วยวิธีที่ไม่ชอบผิดกฎหมายก็ก็จะเป็นโทษตามมาเช่นไปขายยาบ้าค้าขายยาเสพติดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเมื่อกระทำไปแล้วถึงแม้จะได้เงินมา แต่ก็มีโทษตามมาจะต้องถูกเจ้าหน้าที่มาตามจับไปลงโทษจับไปเข้าคุกเข้าตารางความสุขที่ได้มาจากสิ่งที่ได้กับความทุกข์ที่ตามมาก็จะไม่คุ้มค่ากันแต่ถ้าเราทำมาหากินด้วยวิธีที่ถูกต้องไม่ไปผิดกฎหมายที่อย่างที่เราทั้งหลายทำกันอยู่ โทษก็จะไม่มีตามมาทกุก็ไม่ตามมาก็จะมีความสุขนะความสุขของคนเรานะั้นผู้ต่างความจริงมันมีอยู่ในตัวของเราแล้วเพียงแต่ถูกความโลภถูกความอยากมันมาบดบังเหมือนกับผ้าทิศที่มีอยู่แล้วแต่บางวันก็จะรู้สึกว่ามันมันมืดเพราะว่ามีสิ่งอย่างอื่นมาปกปิด เช่นเมฆหรือดวงจันทร์บางครั้งบางคราวก็จะมีดวงจันทร์มาปิดบงังพระอาทิตย์จนทำให้กายให้กลางวันนั้นกายเป็นกลางคืนได้ฉันใดความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราอยู่ในใจของเรานั้นมันมีอยู่แล้วแต่เราถูกความโลภความอยากความหลงมาปกปิด เลยทำให้รู้สึกว่าไม่มีความสุขทำให้รู้สึกว่ายังขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้อยู่ยังต้องไปแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาอยู่เรื่อยๆแสวงหามามากน้อยเพียงไรก็ไม่เคยเจอความสุขเสียทีมีแต่อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าไปหามาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบ เช็นไปทำผิดศีลไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัสตว์ตว์ชีวิตเป็นการลักทรัพย์เป็นการประพฤติผิดประเวณีเป็นการโกหกหลอกลวงผลร้ายคือโทษคือความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆก็จะเป็นผลตามมาพระพุทธเจา้าทรงพิจารณาเห็นอย่างถ่องแท้แล้วจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนให้หาความสุข จากการกระทำที่ไม่เกิดโทษให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เกิดโทษเช่นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการเสพสุรายามเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนการกระทำเหล่านี้ไม่ได้ได้มาไม่คุ้มเสียได้ความสุขไม่คุ้มกับความทุกข์ที่ได้มา เวลาเราไปทำใหม่ๆเราก็สนุกมีความสุขเวลาได้เสพสุรายาเมาก็มีความสุ ข, สสาาสขแต่ต่อไปก็จะกลายเป็นความทุกข์เพราะเมื่อเสพแล้วก็ต้องติดมันต้องเสพมันอยู่เรื่อยๆถ้าวันไหนไม่ได้เสพก็มีความทุรนทุรายมีความไม่สบายอกไม่สบายใจถ้าเสพไปมากๆ เกินกว่าที่ร่างกายจะรับได้ก็ทำให้กอาการมืนเมาไม่สามารถควบคุมสติของตนให้ตั้งอยู่ในความถูกต้องดีงามได้ก็จะต้องไปก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวนำเอาความทุกข์ทั้งหลายมาสู่ตนเองแล้วถ้าเสพสุราไปเรื่อยๆอายุก็จะสั้นลงไปสุขภาพร่างกาย ก็จะหมดไปจะมีแต่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่คือการกระทาที่ทำไปแล้วทำให้เกิดโทษขึ้นมาทำอย่างนี้ไม่ได้เป็นการทำความสุขให้กับเราเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราเช่นเดียวกับการเล่นการพนันเวลาเล่นการพนันก็เกิดความสุขเวลาที่มีความ เกิดความสุขจากการมีความหวังว่าจะได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำเมื่อได้มาก็เกิดความโลภอยากจะได้มากขึ้นไปอีกก็ต้องเล่นมากขึ้นไปอีกเมื่อเล่นไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเกิดเมื่อก็ต้องเสียต้องขาดทุนเมื่อเกิดขาดทุนก็อยากจะได้เงินที่ขาดไป ขาดทุนไปคืนมาเสียไปคืนมาก็ต้องเล่นเพิ่มมากขึ้นไปอีกมีเงินทองข้าวของเท่าไหร่ก็ต้องขนมาเล่นเล่นไปจนกระทั่งเงินทองหมดก็ต้องไปขายข้าวของขายบ้านขายช่องขายที่ขายนาเพื่อมาเล่นต่อจนในที่สุดก็ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย และถ้าไม่ระวังยังไม่หยุดเล่นไปกู้หนี้ยืมสินมาเล่นต่ออีกแล้วไม่มีปัญญาที่จะไปใช้หนี้สินนั้นดีไม่ดีก็อาจจะต้องถูกเขาฆ่าตายไปเพราะไม่สามารถเอาเงินมาใช้หนี้ได้นี่คือการกระทําที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเลยเป็นการกระทํำที่มีความทุกข์มีโทษตามมา เช่นเดียวกับการเที่ยวกลางคืนคนที่เที่ยวกลางคืนก็ต้องนอนดึกนอนดึกแล้วก็ตื่นไปทำงานไม่ทันเที่ยวไปเรื่อยๆขาดงานไปเรื่อยๆต่อไปก็ต้องถูกไล่ออกจากงานแล้วก็สุขภาพก็ไม่ดีเพราะเที่ยวกลางคืนก็ต้องมีการกินเหล้าเมายาแล้วก็ต้องใช้เงินใช้ทองหมดเนื้อหมดตัว ไปจากการเที่ยวกลางคืนไม่ได้มีรายได้มาเลยจากการกระทาเหล่านี้ไม่เหมือนกับการกระทาที่ไม่เกิดโทษเช่นไปทามาหากินอย่างปกติตื่นเช้าไปแล้วก็ออกไปทำงานไปทำงานที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายพอสิ้นเดือนก็ได้เงินเดือนมาก็เอาม า, ชาใช้จ่ายเอามาเก็บไว้ การกระทาแบบนี้เรียกว่าเป็นการกระทำที่ไม่เกิดโทษยิ่งขยันทำมากเพียงไรก็จะได้ประโยชน์มากเพียงนั้นคนที่เขาร่ำรวยจนเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาก็เพราะเขาทำอย่างนี้เขาทำงานทำการที่สุจริตที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมแล้วเมื่อทำไปแล้ว มีรายได้มาก็อดออมเก็บไว้ใช้เก็บไว้ใช้เท่าที่จำเป็นไม่เอาเงินไปใช้กับการดื่มสรายาเมาเล่นการตนันัเที่ยวกลางคืนเพราะถ้าเอาไปใช้แล้วต่อให้หามาได้มากน้อยเพียงไรก็จะไม่พอใช้จะต้องหมดไปกับอบายามุกต่างๆ ดังนั้นถ้าเราปรารถนาความสุขความเจริญที่แท้จริงเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพยายามทาในสิ่งที่ไม่เกิดโทษพยายามทาในสิ่งที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายแล้วเมื่อมีรายได้มาก็ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีใช้เท่าที่จําเป็นใช้ไว้สำหรับดูแลอัตภาพร่างกาย คือของจําเป็นต่างๆเช่นอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มแต่ต้องให้รู้จักประมาณคือให้พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปต่อความจําเป็นถ้ามื่ถ้ามากเกินไปก็กลายเป็นฟุน่มเฟือยถ้าน้อยเกินไปก็เป็นการขาดแคลนโดยไม่จําเป็นทําให้ลําบากยากเย็นโดยใช่เหตุ ในเมื่อเรามีทรัพย์ที่จะซื้อสิ่งที่จําเป็นมาได้เราก็ควรที่จะซื้อมาให้ครบถ้วนบริบูรณ์แต่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นของหรูหราเป็นของมีราคาแพงๆเนีเช่นเสื้อผ้าชุดหนึ่งนี้มีราคาหลายระดับด้วยกันตั้งแต่สองสามร้อยขึ้นไปจนถึงสองสามแสนก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกัน เอาไว้ปกปิดร่างกายเหมือนกันไม่ได้ทำให้คนเราวิเศษวิโสขึ้นไม่ได้ทำให้สวยงามขึ้นเพราะความสวยงามของคนที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าอภารรท์ที่เราใส่กันแต่อยู่ที่ความดีงามถ้ามีความดีงามเช่นมีศีลมีธรรมมีมีความซื่อสัตย์สุจริต จะเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีแต่ถ้าเป็นคนที่มไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่ซื่อสัตย์ไม่สุดจริตไปอยู่ที่ไหนกับใครก็จะเป็นคนที่น่ารังเกียจไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยถึงแม้จะใส่เสื้อผ้าราคาแพงๆก็ตาม <c oughs> เพราะความสวยงามของคนนั้น ต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั่นเองแต่งตัวสวยๆใส่เสื้อผ้างามๆจะไปโกหกหลอกลวงชาวบ้านอย่างนี้ไม่มีใครเขาอยากจะอยู่ใกล้ไม่มีใครเขายินดีไม่มีใครเขาชมว่าสวยงามแต่คนที่แต่งเสื้อผ้าชุดละสองสามร้อยบาทแต่เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุดเจริญแม่โลดโมโทโสัน์ ไม่คิดอยากจะได้เงินทองของผู้อื่นของเงินทองของผู้อื่นเขาวางไว้อย่างไรตรงไหนก็ไม่ไปแตะต้องถึงแม้เขาจะหยิบยื่นให้ก็ไม่อยากจะได้คนอย่างนี้จะเป็นคนที่น่ารักน่าคบค้าสมาคมด้วย <c oughs> เราจึงต้องมองให้ทะลุปุกหงว่า ความสวยงามที่แท้จริงของคนนั้นอยู่ตรงไหนไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าอภร์ที่ใส <c oughs> ถึงแม้จะมีความสวยงามแต่มันก็เป็นความสวยงามที่ไม่จีรังถาวรเพราะร่างกายก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆความสวยงามก็จะหมดไปตามวัยของร่างกาย เมื่อแก่มากๆผมก็จะขาวหนังก็จะเหี่ยวยน่นดูอย่างไงอย่างไงก็ไม่สวยงามอยู่อย่างนั้นถ้าเราจะดูความสวยงามของร่างกายมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราดูความสวยงามของใจแล้วต่อให้มีอายุมากน้อยเพียงไรต่อให้ <c oughs> มีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามเพียงไรก็ตามแต่ก็ยังสวยอยู่อย่างนั้น พความสวยใจนี้เป็นสิ่งที่เหนือกว่าความสวยงามของร่างกายนั่นเองเราจึงต้องให้ความสำคัญต่อการรักษาความสวยงามของใจของเราด้วยการทำความดีอย่างสม่าเสมอให้มีเมตตาคุยความ มีไมตรีจิตต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ด้วยกันมีความหวังดีความปราถนาดีความอยากให้มีความสุขนี่คือความเมตตาเวลาเจอใครพบใครก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายพูดดีพูดแต่สิ่งที่ดีพูดวาจาที่สุภาพเรียร้อยแล้วก็ไม่มีไม ไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมให้รู้จักให้อภัยเวลามีใครทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจก็ต้องให้อภัยไม่ถือโทษถือโทษโกรธเคืองนี่คือความความดีงามถ้ามีความเมตตาแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกับใครก็จะเป็นที่รัก ของของคนทั้งหลายและเทวดาด้วยอันที้ส่งของความเมตตานั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะเป็นจะไม่ถูกทำลายด้วยอาวุธหรือยาพิษจะนอนหลับฝันดี เวลาตื่นก็มีความสุขเวลาหลับก็มีความสุขเมื่อตายไปก็ได้ไปสู่สุขคติได้ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทพเป็นพรหมหรือได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คืออนิสง์ของการกระทำความดีคือมีความเมตตานอกจากนั้นท่านก็สอนให้เรามีความกรุณา เคยมีความสงสารเห็นผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากก็ควรที่จะสงสารช่วยเหลือมีอะไร <c oughs> มีอะไรพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันเพราะว่าคนเรานั้นอยู่ในโลกนี้ไม่ไม่มีอะไรที่แน่นอนวันนี้เราอาจจะสุ ข, ส, ข, ส, ขสบาย แต่ตรงนี้เราก็อาจจะตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนก็ได้แต่ถ้ามีคนคอยช่วยเหลือกันเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากก็จะไม่เป็นปัญหามากนะักเพราะจะมีคนคอยช่วยกันนั่นเองทำให้หนักเป็นเบาได้ทำให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุข ดังนั้นเวลาที่เราเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเราอยู่ในฐานะพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็อย่าดูดายขอให้ช่วยกันแล้วเราจะมีความสุขใจเราจะมีความภูมิใจในตัวของเราเองเวลาเรามองหน้าของเราในกระจกแล้วเราจะยิ้มได้เราจะรู้สึกพอใจกับการกระทําของเรา ถ้าเราขาดความกรุณาความสงสารเป็นคนใจจืดใจดาเป็นคนที่ไม่เหลี้ยวแลไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนอื่นเป็นคนเห็นแก่ตัวเวลาที่เราดูตัวเราเราจะไม่มีความรู้สึกภูมิใจจะไม่มีความสุขใจกับตัวเราเลยนะเมื่อเราไม่มีความสุขใจไม่มีความภูมิใจ เราก็พยายามไปหาไปทำในสิ่งที่คิดว่าจะทำให้เราภูมิใจสุขใจก็คือไปใช้เงินใช้ทองซื้อข้าวซื้อของที่ฟุ่มเฟือยต่างๆมากยิ่งซื้อมามากเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความภูมิใจเกิดขึ้นเพราะก็ยังเป็นการกรทำที่เห็นแก่ตัวอยู่นั่นเองทำเพื่อตัวเองคนเราจะมีความภูมิใจได้ ต่อเมื่อเราทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นเช่นรับใช้บิดามารดาผู้อุปผู้มีพระคุณของเราเวลาที่ท่านมีอายุมากท่านต้องมีคนคอยดูแลคอยเลี้ยงดูเป็นหน้าที่ของลูกๆที่ควรที่จะ <c oughs> ทําหน้าที่นี้ให้สมบูรณ์ อย่าไปาปัดให้คนอื่นเขาทำโดยอ้างว่าตนเองไม่ว่ามีภาระมากอย่างนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนมีความกตัญญูกะตะเวทีจะพึงกระทำเราควรนาเลือถึงพระคุณของบิดามารดาอยู่ไหวอย่างเสมอเสมอเพื่อจะได้ไม่ลืม เพราะถ้าเราไม่ลำลึกถึงบุญคุณของบิดามารดาอยู่เรื่อยๆเราจะถูกเรื่องต่างๆมาฉุดลากไปวันวันหนึ่งเราจะมีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้มาให้ทำมาให้วุ่นวายมาให้กังวลจนลืมนึกถึงพ่อแม่ของเราไป <c oughs> เมื่อถึงเวลาที่จะต้องไปทำอะไรให้กับพ่อแม่ก็จะรู้สึกหงุดหงิดใจลำคาญใจ เพราะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เกาะ น, นั่นเองแต่ถ้าเรานำเลิกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่อยู่เสมอและคิดไว้ล่วงหน้าว่าต่อไปคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องแก่จะต้องดูแลตัวเองไม่ได้ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไปดูแลท่านถ้าเราคิดอย่างนี้ไว้เรื่อยๆ เ, เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียม ทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้พร้อมเมื่อถึงเวลาที่จะต้องไปดูแลพ่อแม่เราจะได้ไปได้อย่างสบายใจไปได้ด้วยความยินดีด้วยความดีอกดีใจเพราะการกระทำอะไรนะั้นไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการทดแทนบุญคุณของบิดามารดาผู้บังเกิดเ้าผู้ให้กำเนิดกับเรา ชีวิตของเราที่เรามีอยู่ได้ทุกวันนี้ก็มาจากบิดามารดานี่เองถ้าไม่มีบิดามารดาเราจะเป็นตัวตนอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เรื่อยๆเราจะเห็นบุญคุณของบิดามารดาและมีความยินดีที่อยากจะทดแทนบุญคุณของท่านให้เต็มที่ให้สมกับ เป็นคนที่ดีที่เจริญนั่นเองเป็นคนที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพิทัเจ้าที่ทรงสอนให้กระทำในสิ่งที่ไม่เกิดโทษให้ทาแต่สิ่งที่เกิดคุณเพราะการกระทานี้จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงความสุขที่ได้จากการไปเที่ยว ไปเศษลูกเสียงกิ่นรนผลตภาณต่างๆไม่ว่าจะผ่านทางสุรายาเมาจากการเที่ยวกลางคืนหรือการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมาใช้นั้นไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จะฉุดลากให้ไปตกนรกต่อไปเพราะจะทำให้เราเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนใจแคบ ทำอะไรก็อยากจะทําเพื่อตัวเองเท่านั้นไม่คิดถึงผู้อื่นแล้วทำเท่าไหร่ก็หาความสุขไม่เจอต่างกับคนที่ทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นทําไปแล้วเกิดความปิติเกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจเกิดความภูมิใจทําให้ไม่อยากจะต้อง ไปหาความสุขแบบคนอื่นเขาเช่นไม่ต้องไปหาความสุขจากการเที่ยวกลงคืนจากการเสพสุรายาเมาจากการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมา <c oughs> ชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขเป็นคนที่น่าชื่นชมยินดีเป็นคนที่มีแต่คนสรรเสริญยกย่องเป็นคนที่มีแต่คน อยากจะคบค้าสมาคมด้วยเป็นทำให้เรานั้นมีความสุขมีความภูมิใจในตัวของเราเองนี่คือความหมายของการดาเนินชีวิตเพื่อนำความสุขที่แท้จริงมาให้กับชีวิตเราเราต้องดูการกระทําของเราเป็นหลักว่าเราทำไปใน ท, ในทิศทางไหนถ้าเราไปทำในทางที่ไม่ถูก เราควรที่จะหักห้ามจิตใจถ้าเราชอบเที่ยวกลางคืนพยายามหักห้ามจิตใจถ้าชอบดื่มสุรายาเมาก็พยายามหักห้ามไว้ถ้าชอบซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็พยายามหักห้ามไว้แต่ถ้าชอบทำบุญทําทานชอบช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ต้องส่งเสริมให้ทำให้มากยิ่งขึ้นไปถ้าชอบรักษาศีล ชอบไม่ชอบฆ่าสัตว์ตับชีวิตไม่ชอบลักทรัพย์ไม่ชอบประพฤติผิดตัเวณีไม่ชอบพูดปดมดเท็จไม่ชอบเสพายาเมาก็ต้องพยายามส่งเสริมให้มีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าชอบฟังธรรมะฟังเทศน์ฟังธรรมชอบอ่านหนังสือก็ต้องส่งเสริมทําให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปและถ้าชอบปฏิบัติธรรม ทราบไหว้พระสดมนต์นั่งทำสมาธิจเจริญปัญญาจเจริญอนิจจทุกขังอนัตตาก็ควรที่จะทำให้มากยิ่งขึ้นไปเพราะการกระทำต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุที่จะนำความสุขและความเจริญที่แท้จริงมาให้กับชีวิตของเราไม่มีอะไรที่จะมาให้ความสุข อย่างแท้จริงได้เหมือนกับการกระทาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้พิสูจน์แล้วได้สัมผัสแล้วได้เอามาเป็นสมบัติของตนแล้วจึงได้นำเอามาเผยแผ่เอามาสั่งสอนผู้อื่นพวกเราผู้ที่ยังไม่ได้สัมผัสกับความสุข ความเจริญที่แท้จริงแบบนี้เราก็ควรที่จะมีศรัทธาความเชื่อเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอารหันตกสาวกนับรองได้ว่าจะไม่ผิดหวังเพราะท่านเป็นคนดีท่านไม่ได้มีเ <c> จ <oughs> ตนาที่ไม่ดีแฝงอยู่เลยในการมาสั่งสอนพวกเรามีแต่ความปรารถนาดีความเมตตา ความกรุณาอยากจะให้เราได้ดบได้ดีได้พบกับความสุขที่แท้จริงท่านไม่ได้อะไรจากเราจากการสั่งสอนของท่านท่านเพียงแต่เห็นว่าท่านเมื่อก่อนนี้ท่านก็เป็นเหมือนเราเป็นคนที่ลุ่มหลงหาความสุขไม่ถูกทางหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอมีแต่ความทุกข์มีแต่ความมุ่นวาอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุด เมื่อท่านได้พบกับความสุขความเจริญที่แท้จริงแล้วท่านจึงได้นำาอามาเผยแผ่เอามาสั่งสอนพวกเราพวกเราถ้าไม่เชื่อเราก็จะเสียโอกาสไปถ้าเราเชื่อเราก็จะได้อย่างน้อยก็จะได้พิสูจน์ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสารกสอนเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแม่นยำหรือไม่ เป็นความจริงหรือไม่หรือเป็นสิ่งโกหกเป็นคาโกหกหลอกลวงถ้าเราไม่พิสูจน์เราก็จะไม่รู้แต่เมื่อเรานำเอาไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นจริงหรือไม่จริงอย่างไรเหมือนกับคนที่เขาบอกทางให้เราไปสู่ที่ใดที่หนึ่ง เช่นบอกทางให้มาที่วัดนี้ถ้าเรายังไม่เคยมาวัดนี้เราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาบอกเรานั้นเป็นความจริงหรือไม่ถ้าเราไม่ทําตามที่เขาบอกเมื่อเราทําตามที่เขาบอกแล้วแล้วเรามาถึงที่วัดนี้ได้ก็แสดงว่าสิ่งที่เขาบอกนั้นเป็นความจริงฉันใดสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้น S <S <an> ก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้ยังไม่เห็นเราจะรู้จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเรานำเอาไปปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะเห็นผลของคำสอนว่าเท็จจริงอย่างไรว่านำมาซร่งความสุขความเจริญให้กับเราหรือไม่หรือนำมาซร่งความทุกข์ความวุ่นวายใจ <c oughs> นี่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถ พิสูจนได้และเป็นโอกาสที่ดีของเราถ้าเราไม่เชื่อก็เราจะเสียโอกาสไปเราจะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงถ้าจริงเราก็ขาดทุนแทนที่จะได้สิ่งที่ดีก็ไม่ได้สิ่งที่ดีถ้าไม่จริงเราก็จะได้รู้ว่าไม่จริงแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปปฏิบัติอีกต่อไปคําสอนของพ่พระพุทธเจ้าทุกบท ท, กบ ท, ทุกบารนั้น เป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่ได้ให้เชื่อเฉยเฉยเชื่อเฉยเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรเชื่อแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเชื่อแล้วต้องปฏิบัติถึงจะได้เห็นผลอย่างแท้จริงถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่เห็นผลก็จะไม่รู้ดังนั้นสิทธิ์ต่างๆที่ท่านได้ยินในวันนี้คือความสุข ที่เกิดจากการกระทำที่ไม่เกิดโทษนั้นท่านจะเห็นหรือไม่ท่านจะพิสูจน์ได้หรือไม่ก็อยู่ที่ตัวของท่านเองถ้าท่านนำไปพิสูจน์นำไปปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าท่านจะเห็นแน่นอน <c oughs> ฉันอยากจะให้ท่านทั้งหลายมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าให้มีความเชื่อในพระธรรมคาสอน ให้มีความเชื่อในพระอริยสงสาวกทั้งหลายว่าท่านเป็นผู้ที่พูดจริงทําจริงรู้จริงเห็นจริงสิ่งที่ท่านนํามาเผยแผ่สั่งสอนพวกเรานั้นล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้นขอให้เราเชื่อแล้วนําไปปฏิบัติแล้วประโยชน์สุขที่พวกเราทั้งหลายปรารถนากันก็จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอน การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงข อ, อยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศระีรัตนตรัยมีก็คือพระฐนพระสงฆ์น่าบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีความแคล้วคลาดปลอดภัย จากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ <c oughs>